บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปปัญหาที่ติสมิตเตยะมานพได้กราบทูลถามในข้อต่อไปว่าใครรู้ที่สุดทั้งสองอย่างแล้วไม่ติดดุในส่วนแห่งท่างกลางซึ่งพระพุมมีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ที่ประกอบด้วยหลักธรรมสำคัญคือสติกับสมปัญญะที่เจริญให้มากในสติปัฏฐานทั้ง4ประการไว้จะเป็นผู้รู้ที่สุดทั้งสองอย่างและไม่ติดในส่วนแห่งท่ามกลางปัญหาที่ควรทำความเข้าใจก็คือว่าที่สุดทั้งสองประการนั้นคืออะไรส่วนท่ามกลางคืออะไรและทำอย่างไรจึงจะไม่ติดในขั้นตอนต่างๆ ในข้อนี้ท่านอธิบายว้ว่าคำว่าที่สุดทั้งสองจย่างนั้นย่อมใช้ได้ในกรณีต่างๆของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแต่ท่านก็สรุปลงที่ภาษะคือการกระทบโดยการที่ตาเห็นรูปเกิดความรู้รูปขึ้นมาจนถึงกระใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้อารมณ์ขึ้นมา ที่เรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสที่แปลว่าการกระทบบุคคลผู้มีปัญญาย่อมพิจารณาเห็นว่าสัมผัสนั้นเมื่อเกิดขึ้นก็เป็นส่วนเบื้องต้นคือเป็นเหตุเกิดของผัสสะเหล่านั้นอาศัยเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งการดำรงอยู่ของผัสสะเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นส่วนท่ามกลางความดับไปของผัสสะ ก็เป็นส่วนสุดท้ายหรือส่วนตอนส่วนตอนปลายสรุปว่าสิ่งทั้งหลายนั้นก็มีอยู่สามช่วงเปนช่วงที่เกิดขึ้นช่วงที่ตั้งอยู่และช่วงที่ดับไปปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ในการเรียนรู้ธรรมชาติทั้งหลายในชั้นสามัญ ท, ทั่วไปนั้นบุคคลจะมองเห็นถึงการประพฤติการกระทําบางอย่าง ที่ผ่านมาแล้วในดีตที่จริงบทเรียนในอดีตนั้นมีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีและส่วนที่เป็นกลางกห า, างว่าบุคคลรู้ถึงเหตุปัจจัยให้เกิดสิ่งเหล่านั้นอาศัยความรักตนถนอมตนต้องการให้ตนประสบความสุขความสงบก็ต้องพิจารณาถึงส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนต่างๆ แล้วก็งดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำเช่นนั้นในขณะเดียวกันบทเรียนในอดีตก็มีทั้งเหตุแห่งความสุขความเจริญก็ศึกษาถึงเหตุแห่งความสุขความเจริญตอนนั้นแล้วก็ทําแม้ในปัจจุบันพอมาถึงในปัจจุบันก็มีตัวอย่างในอดีตสำหรับวิเคราะห์ตัดสินอารมณ์เรื่องราวกรณีบุคคลต่างๆ ที่จะปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นได้นี่ถือว่าตัวอย่างในส่วนภาค พ, พื้นทั่วไปซึ่งบุคคลต้องอาศัยเกี่ยวข้องอยู่กับสัมผัสแต่ที่เกิดปัญหาจนต้องถามว่าใครรู้นั้นเพราะก็จริงแล้วแม้จะมีเรื่องราวต่างๆในอดีตเป็นนั้นมากแต่ความการกระทำผิดของคนก็มีลักษณะซ้าซ้อน อย่างที่บอกว่าไม่รู้จักหลับจําซึ่งหมายความว่าบุคคลเหล่านั้นไม่รู้ส่วนเบื้องต้นอันเป็นเหตุแต่งความทุกข์ที่นี้บุคคลบางคนที่ได้สัมผัสเหตุในอดีตอันเป็นความดีงาม <c oughs> ก็ไม่ได้กระทําเพิ่มต่อกันไปไอ้สูสิ่งเหล่านั้นก็เสื่อมไปหรือว่าไม่เป็นการรู้เหตุในเบื้องต้นเช่นเดียวกันนั้นการรู้เหตุในเบื้องต้น <c oughs> กับรู้เหตุในทรากลางนั้น การู้เหตุในตอนสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องของการมองปัญหาในลักษณะที่เชื่อมโยงกันไปโดยลําดับว่าถ้าจุดเริ่มต้นเป็นยังไงท้ามกลางเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงแม้ในชั้นของศีลธรรมจัญญาก็เป็นการมองในแนวนั้นคนที่สามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลธรรมจัญญาได้พระมองเหตุทั้งเบื้องต้นได้ทั้งเบื้องกลางได้แล้วก็เบื้องปลายได้อกุศล ซึ่งเป็นเหตุขยจากกิเลสออกไปจากจิตนั้นเป็นบันไดเบื้องตน้นที่จะมวยความสุขให้ในขณะนั้นและในช่วงที่สืบต่อกันมาตลอดถึงจะเป็นที่พึ่งพานักอาศัยของตนในการต่อไปตอลอดถึงในชาติต่อไปการประพฤติปฏิบัติสินธรรมจริยาของสาธุชนทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้เบื้องต้นที่สุดไดในถ้ำกลางประกัน แต่ที่น่าสังเกตก็คือว่ามันใช้คำว่าไม่ติดอยู่ในส่วนท้องกลางในเชิงของสินธรรมจรญญาก็สามารถจะดำเนินไปในขั้นตอนเหล่านี้ได้เหมือนกันเพราะอะไรว่ากุศลนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องเพิ่มพูนให้มากขึ้นไม่ใช่ว่าบาเพ็ญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็หยุดอยู่เท่านั้นให้ทานก็ให้แต่ทานอย่างเดียวรักษาศิหนห้าก็ศีนหน้าอย่างเดียวแต่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอยู่โดยลำับ เรียก ว, ว่าเป็นการปฏิบัติลักษณะที่ไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลางเหมนกันชั้นที่สองเป็นชั้นของวิปัสสนาปัญญาคือเป็นการมองเห็นถึงสิ่งทั้งหลายว่าไม่ควรแก่การยึดถือด้วยองนาจของอะไรด้วยอำนาจของสิ่งที่ทำใจให้หวั่นไหวดังที่เคยกล่าวมาแล้วจะพูดตัณหามาณทิฏฐิด้กําจึิงเหล่านั้นทาใจให้ของบุคคลให้หวั่นไหว แต่ลองสังเกตดูว่าจิตใจของบุคคลที่หวั่นไหวนั้นหวั่นไหวเพราะไม่รู้ในส่วนเบื้องต้นหวั่นไหวเพราะไม่รู้ในส่วนเบื้องปลายพอเจออารมณ์ในปัจจุบันข้าวก็เกิดหวั่นไหวในส่วนที่เป็นปัจจุบันแต่ถ้าบุคคลเข้าใจถึงสัมผัสที่ตนกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายจะเรียกว่าจะขุสัมผัสคือการกระทบทางตาสัมผัสการกระทบทางหูเป็นต้นนั้น ก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วในการเกิดขึ้นแล้วในอดีตดับไปแล้วในอดีตก็แสดงว่าบุคคลเคยพบเห็นสิ่งจากจุดเกิดมาหาจุดดับมาแล้วเป็นอันมากตอบมากทีเนียพอกระทบอะไรในปัจจุบันทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งที่ไม่ทุกข์ไม่สุขก็มองเห็นว่ามันก็เหมือนกันเหมือนการแก่สิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตเพราะจุดสุดท้ทายมันก็จะแตกดับไป ตามธรรมดาการมองในแนวกระจายอย่างนี้ก็เหมือนกับที่ทรงแสดงแก่ภิกษุปันเจวคีหรือที่แสดงแก่ท่านเราอื่นคือเริ่มเรียนรู้จากจุดใดจุดหนึ่งให้ได้เสียก่อนจากนั้นก็มองกระจายได้ใจก็จะปล่อยวางได้ทั้งอดีตอนาคตและแม้แต่อม่ยึดิดอยู่ในปัจจุบันอย่างที่ทงสอนระดับของวิปัสสนาปัญญา ในกรณีของความรู้ซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับสัมผัสพอรู้ก็เป็นสัมผัสที่จริงจะพูดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็้ปอกันดะแสดงเห็นว่าความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียากก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีสิ่งนั้นมันก็สา่งแตว่าความรู้เพราะว่าถึงสัมผัสก็มองได้ในแนวเดียวกัน เรสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีมันตกสภาพอย่างเดียวกันสัมผัสเหล่านั้นแม้จะหลากหลายออกไปเป็นเลวเป็นประณีตเป็นหยาบเป็นละเอียดเป็นอยู่ไกลเป็นอยู่ใกล้ก็เป็นสักดแต่ว่าสัมผัสใจที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสัมผัสเหล่านั้นก็เป็นของเราก็ดีเป็นเราก็ดีเป็นตัวตนของเราก็ดีก็จะสงบระงับดับลง นี่ในกรณีของสัมผัสต่อจากสัมผัสที่จริงก็เป็นเวทนาท่านก็สอนให้ดูที่ตัวเวทนาอีกทีหนึ่งเวทนาคือการสวยอารมณ์หรือความรู้อารมณ์ตามปกติแล้วจะจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ได้สามกลุ่มคือเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็น ก, นกลางกที่ท่านเรียกว่าไม่ทุกข์ไม่สุขสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลตลอดทุกขณะ ในยามที่ก็ยังมีชีวิตอยู่พระเจ้าก็ทรงสอนให้เรียนรู้ถึงเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายเมื่อเวทนาแยกเป็นสมส่วนสุขเวทนาก็เป็นที่สุดข้างหนึ่งทุกเวทนาก็เป็นที่สุดข้างหนึ่งตรงกลางๆคือทุกขมะมรรคเวทนาเวทนาที่เป็นกลางๆ ก, ก็อยู่ในทับกลาง ไอ้ว่าธรรมการนั้นคือพร้อมจะแปลจะแปรหากไปเป็นสุขก็ได้ไปเป็นทุกข์ก็ได้แล้วกลับมาอยู่ในธรรมกลางก็ได้ข้อนี้การเรียนรู้ถึงความจริงก็ธรรมชาติว่าอะไรก็ตามถึงจุดหนึ่งเมื่อมันขึ้นไปถ้ายังถ้ายังเป็นโลกิยะอยู่นะพอขึ้นขึ้นถึงไปถึงจุดหนึ่งแล้ในสุดก็จะลดลงมาอยู่ในระดับหนึ่ง แล้วพอลถลงไปถึงจุดหนึ่งแล้วลดไม่ได้อีกแล้วก็ต้องขึ้นต่อไปอีกก็สรุปก็ขึ้นขึ้นลงล ง, ล ง, ลงขึ้นขึ้นอย่างนี้เองปัญเวทนาที่บุคคลสเสวยในชั้นของโลกิยะที่บุคคลกำหนดหมายว่าเป็นสุขซึ่งก็เป็นที่สุด ข, ขั้งหนึ่งพอสุขไปสุดยอดแล้วก็ต้องเริ่มลดละลดลงมาอยู่ในท่างกลางก่อนต่อมาก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกข์ทุกข์ไปถึงจุดสุดยอดแล้วมันจะขึ้นกลับใหม่ นั่นคือลักษณะที่ลองดูอะไรตา่างไม่ว่าจะเป็นประรลอดเป็นแฟชั่นเป็นเหตุการณ์ต่างๆในบ้างเมืองความทุกข์จากโกาครคภัยไข้เจ็บมันจะอยู่ในแนวนั้นทั้งหมดคือจะขึ้นไปถึงหาจุดหนึ่งแล้วจะเริ่มลดเพาขึ้นไม่ได้แล้วก็ต้องลดลดแล้วต่อไปมันก็ขึ้นแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของเวทนาอันเวทนาจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือเป็นกลางกลงก็ตาม ในแง่ความเป็นจริงแล้วก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเท่านั้นเองเวทนาเหล่านั้นบุคคลสัมผัสมาแล้วในอดีตในท่างทินทําจรรยาก็หมุนกลับอาไปได้อีกเพความสุขต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ที่จริงตนก็เคยสัมผัสมาแล้วและความสุขเหล่านั้นก็ดับแล้วบทเรียนเพื่อคุมใจตนไว้ไม่ให้กําหนัดเพื่อเพลินเริ ง, เรงหลงเมื่อประสบความสุข เพราะความสุขเป็นอ น, นาจที่เคยเฉลิมฉลองกันมานั้นก็ดับไปหมดแล้วปัจจุบันนี้ก็เกิดอีกเวลาแกก็ดับอีกหรือขณะนั้นใกล้ๆนั้นแกอจะดับอีกยิ่งในปัจจุบันตัวอย่างเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นอยู่เป็นองนั้นบางครั้ง บ, บางคราวบุคคลกําลังสนุกสนานเพลิดเพลินกันอยู่ในขณะนั้นถือว่าเป็นสุขเวทนาแต่เกิดอุบัติเหตุตึกพังโครมลงมาเกิดระเบิดเครื่อลงมาตายหรือบาดเจ็บ ถ้หากกลับไปเป็นทุกขเวทนาความสุขก็ขึ้นสูงในจุดนั้นเองความทุกข์ก็มาสูงในจุดนั้นเหมือนกันเป็นการลดในลักษณะพูดพราดลงไปแต่แ่นก็คือตัวอย่างบทเรียนในชั้นศีลธรรมจัร ญ, ญาที่จะทําให้บุคคลเข้าใจว่าแม้ความสุขก็ไม่ควรจะเพลินอะไรพราเราก็เจอมามากต่อมาครนะับพวกเ่านั้นก็ดับไปหมดแล้วอันนี้กำลังเกิดใหม่ก็ดับอีกพอ ย, ยามเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ก็จะเข้าใจว่าทุกในลักษณะเดีกานหรือทุกที่ใกล้เ ค, ยเคียงกันนั้นนเราเคยประสบมามากแล้วในอนดีตแต่ก็กระดับหมดแล้นี่แกเกิดขึ้นมาใหม่ก็ไม่ต้องไปแบกความทุกข์เอาไว้ไปเดี๋ยวแกกระดับเองเพราะแกเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยพอมาถึงอทุกขกรรมสุขเองก็ไม่วางใจมาถึงความวางใจว่าตอนนี้สบายแล้วทรงตัวได้แล้วไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะแกพร้อมที่จะหักไปได้ทั้งสองด้ หรือพร้อมจะหายไปอยู่ในถ้มกลางคือจุดเดิมได้นั่นคือชั้นการใช้ที่เรียกเป็นแนวโยนในโสมนัสิกานคือมองเวทนาที่ปรากฏเฉพาะหน้าในแต่ละขณะโดยมีสติปัญญาเข้ากรรกับในการเรียนรู้เวทนาเหล่านั้นแต่พอในชั้นของการมองกระจายตามนัยยะของวิปัสสนาคือมองว่าเวทนานั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยจะสุขจะทุกข์จะไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามและในสุดแกก็ดำรงอยู่ หนจุดหนึ่งแกต้องดับไปก็ตั้งต้นขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเวทนานั้นมีลักษณะที่ถี่ยิบมากอย่างการเกิดขึ้นของต่อมน้ําในเวลาที่น้ําไหลเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับกันเป็นแถวไม่ยอมหยุดเวทนาบางอย่างเร็วเหมือนกระแสไฟต่อมน้ําบางทีมันก็ช้าไปได้ครับเป็นการเกิดดับที่เร็วมากแต่เนื่องจากมีความต่อเนื่องกัน เหตุปัจจัยมาหนุนการบางครั้งบุคคลก็มองในลักษณะที่ไม่ไม่ได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์คือมองไปในหนึ่งกันเดียวกันแต่แท้จริงไม่เป็ น, นันหนึ่งกันเดียวกันก็แค่กับบุคคลมองเส้นบรรทัดที่เขียนด้วยชอ็อกคที่เขียนได้อะไรก็ตามเขียนด้วยชอ็อกนั้นดูง่ายหน่อยไม่ต้องใช้กล้องจุลทัศน์ที่จริงเส้นนั้นไม่มีที่มันมีนั้นเพราะจุดเล็กๆมาเกาะตัวเรียงกันเท่านั้นเอง บางอย่างก็อาจจะใช้กล้องดูแล้วก็แยกออกว่าไม่มีอย่างนั้นน่ะมันเป็นตาที่มองเห็นไปเฉยๆมองจากที่ไกลก็เป็นอย่างหนึ่งมองจากที่ใกล้ก็เป็นอย่างหนึ่งมองด้วยกล้องก็เป็นอย่างหนึ่งจริงเหล่านั้นโดยสภาพจริงๆแกก็ไม่มีอะไรการมองเวทนาในแนวนี้ก็มองอย่างนั้นมองด้วยหลักของวิปัสสนาเพราแกเกิดขึ้นแกก็ตั้งอยู่แกก็ไปทั้งทุกข์ทั้งสุขหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขในที่สุดก็จะมองกระจายได้โดยระยะที่กล่าวแล้ว เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยับก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีปรนีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ไกล้ก็ดีมันก็คือการคือเวทนาเท่านั้นไม่ใช่ว่าไม่ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นแก่เราแก่คนอื่นแกสัตว์อื่นหรือแก่เราในอดีตหรือจักเกิดขึ้นแก่เราในอนาคตก็เป็นปเวทนาในลักษณะอย่างเดียวกันตัวแปรสําคัญอยู่ที่ความไม่รู้ในปัจจุบัน ไม่ไม่สามารถอาศัยเวทนาปัจจุบันเชื่อมโยงเข้าไปหาเวทนาในอดีตและคาดหมายเวทนาในอนาคตจิตใจของบุคคลจึงไปเดือดร้อนกับเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆแต่ถ้าบุคคลมองย้อนกลับไปได้หรือหรือคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ก็ปล่อยวางได้ตะนนั้นท่านจึงถามตอกย้ำลงไปว่าต้องไม่ติดในอนาคตไม่ติดอยู่ในปัจจุบัน รู้อดีดรู้อนาคตแต่ถ้าติดอยู่ในปัจจุบันก็ชื่อว่ายัางไม่รู้ต้องรู้แล้วไม่ไม่ติดไม่ยึดเป็นความรู้ที่พึงประสงค์จริงๆดังนั้นความรู้ในชั้นนี้ปริมาณของสติปริมาณของปัญญาที่ใช้ในการระลึกรู้ต้องอยู่ในระดับสูงที่สามารถบรรเทาเกระแสอย่างน้อยต้องบรรเทาเกระแสของตัณหาของมานะของทิตจิหรือแม้แต่ของกรรม ให้บรรทาบาบางลงไปได้นั่นก็ถือว่าเป็นที่สุดอีกข้างหนึ่งที่เรามองในส่วนอื่นๆยังมองในนามารูปแล้วก็มีที่สุดสองด้านนามกับรูปมีที่สุดสองด้านและมีตัวที่เป็นปฏิบัติบันอีด้วยนามารูปในอนดีตเอาทิดตะ ก, กายตนเองในอนดีตก็ไแรกกันตกายคนอื่นวัตถุสิ่งของก็ตาม บุคคลมองเห็นได้ทั้งสามช่วงคือช่วงที่เกิดขึ้นในอดีตกับจุดสุดท้ายที่ทรงใช้คำว่ามารณ น, นตามิชีวิตังชีวิตชาติแต่และชาตินั้นจบลงที่ตายเพราะมองจากจุดเกิดแล้วมองไปหาจุดตายพอเกี่ยวข้องกับการ ล, ลึกรู้ถึงนามรูปในปัจจุบันก็อมองกลับไปกลับมาได้โดยนัยะทิกระแล้ว คือการเกิดนั้นก็เป็นที่สุดข้างหนึ่งการตายก็เป็นที่สุดข้างหนึ่งการดำรงอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจุบันเป็นส่วนทักลางแต่บุคคลมองให้เห็นเป็นเอกภาพคือเชื่อมโยงกันได้ทั้งสามการนั้นว่าแท้ทจริงแล้วเป็นการเกาะกลุ่มของเหตุปตัจจัยให้ชีวิตเกิดขึ้นให้ชีวิตดำรงอยู่และให้ชีวิตแตกลับไปการมองในแนววิปัสสนาท่านก็มองแยกเป็นนามรูป แยกเป็นรูปแยกเป็นนามออกไปเพื่อจะให้เรียนรู้ในจุดใดจุดหนึ่งให้เกิดความเข้าใจเสียก่อนพอประสบกับอารมณ์ในปัจจุบัน จ, จิตใจก็จะไม่หวั่นไหวในเรื่องเหล่านั้นการทําทใจในแนวนี้ก็ <c oughs> มีได้หลายระดับคือสรุปว่าระดับหนึ่งเป็นเรื่องของแนวมานาติการเฉยๆความคิดระลึกรู้ทันต่ออารมณ์เหล่านั้น ช่วยตัวเองได้คุ้มครองตัวเองได้เป็นนั้นมากทีเดียววันนี้พึงดูตัวอย่างในรูปที่เกาะกลุ่มกันเต็มที่แล้วในแนวของการพิจารณาที่สวดกันธรรมดาธรรมดานี้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้นั่นคือเป็นการมองถึงสังขารธรรมที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงความเจ็บป่วยเป็นการเน้นได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง การพิจารณาความตายมองให้เห็นถึงที่สุดที่จะจบลงในแต่ละชาติและในช่วงที่มีความแก่มีความเจ็บรอคอยเวลาตายนั้นบุคคลจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งหนึ่งคือความพรากจากหรือความพลัดพลาดามีความพลาดพลาดมีการสูญเสียมีการเสื่อมถอยมีการแตกทําลายโดยการกระทําของบุคคลอื่นบ้างโดยการกระทําของเราเองบ้าง ด้วยอุบัติเหตุต่างๆตลอดถึงตัวของสิ่งนั้นเองแกเสื่อมแกเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าด้วยการที่เราจากเขาไปบ้างด้วยการที่เขาจากเราไปบ้างนี่คือสิ่งที่บุคคลจะต้องประสบแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่เฉพาะในปัจจุบนันแท้จริงตั้งแต่จุดเกิดมาแล้วแกก็เป็นอย่างนั้นเองวานเมื่ออาศัยบทเรียนในอนดีต มาแก้ปัญหาในปัจจุบันแม่สิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คงตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันใจผู้คนก็จะรู้ทั้งส่วนทั้งถามนั้นจะรู้ทั้งส่วนที่เป็นอนดีตส่วนที่เป็นอนาคตแล้วมาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันราลึกรู้ถึงเรื่องเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จำเป็นจะ ต, ต้องใช้และควรใชใ้ได้ก็คือเรื่อง ชั้นของมนุษการตัวชั้นที่จะละกิเลสไปได้นั้นจะต้องอาศัยความเปลี่ยนพยายามที่สูงขึ้นแต่ชั้นมนาษิการขอเพียงแต่บุคคลได้มีมนุิการคิดเท่านั้นเองก็จะหาประโยชน์หาความรู้ความเข้าใจแก้ปัญหาหัวใจที่เกิดขึ้นรู้จักปล่อยวางในอารมณ์ที่ควรปล่อยวางรู้จักละในอารมณ์ที่ควรละรู้จักเว้นในเรื่องที่ควรเว้นเพราะอาศัยความรู้อันดิศ แด้ความรู้อนาคตของรู้ในการที่เป็นอดีตของนามรูปที่มีอยู่ภายในใจของตนพอแยกออกไปอีกพอแยกออกเป็นการคือสรุปสรรพสิ่งข้าในการเลยเป็นการมองได้สามจุดอดีตก็เป็นที่สุดข้างหนึ่งอนาคตเป็นที่สุดข้างหนึ่งเราจะจับอะไรไปวางกับที่อดีตอนาคตจับคนไปวางที่อดีตกาบอนาคตจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนั้น ก่อนจะถึงปัจจุบันนั้นก็เป็นอดีตการต่อไปจนถึงตายไปนั้นก็เป็นอนาคตแล้วก็สืบพบสืบชาติต่อไปได้อีกในแง่ของทังศาสตร์าับในขณะนั้นนั้นถือว่าเป็นส่วนของปัจจุบันจะเอารูป ก, ก็ได้เอาบ้านเรือนก็ได้ทรัพย์สินเงินทองก็ได้หรือแม้แต่โลกทั้งโลกอาอยู่ในที่นั้นก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับกาลอาดีตก็เป็นที่สุดข้างหนึ่งอนาคตก็เป็นที่สุดข้างหนึ่งปัจจุบันจึงเป็นตัวท่ามกลาง เราลงให้เรียนรู้อดีตแต่ใ น, นส่วนปริยัติศึกษานี่การศึกษาต่างๆที่มีการเรียนรู้กันมาเรื่องราวพุทธประวัติก็ดีภาษาวกประวัติของภาษาวกก็ดีประวัติศาสตร์อะไรต่างๆก็ดีนั่นถ้ามองในแง่ของหลักพระพุทธศาสนาเราสามารถนําสิ่งเหล่านั้นมาใช้ได้ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้การศึกษาซึ่งจะแยกออกเป็นสองขั้น ในท่านสินธรรมจัญญานั้นบทเรียนทั้งหลายในอดีตจากประสบการณ์ของตอนเองก็ดีจากได้ยินได้ฟังบอกกล่าวก็ดีจากตำหนักตําราก็ดีนั้นล้วนแล้วแต่เป็นครูทั้งในด้านบวกและด้านลบที่บุคคลสามารถอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนแผนที่เป็นเหมือนเข็มทิศที่จะชี้ทางให้แก่ตนว่าทางไหนควรไปทางไหนไม่ควรไปทางไหนถูกทางไหนผิดได้เมื่อประสบเหตุการณ์เรื่องราวบุคคลกรณีอารมณ์ในปัจจุบัน ทีนี้ใ น, นกรณีของการพินิจพิจารณาระดับที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ยกอะไรขึ้นมาก็ได้มองให้เห็นเชื่อมโยงกันในการทั้งสามโดยในยถาที่กล่าวแล้วในตอนส่วนสัมผัสก็ดีในส่วนของเวทนาก็ดีหรือแม้ในส่วนสุขทุกข์กทุกขมสุขกติีหรือแม้ในส่วนตันหาส่วนอะไรก็ตามคือมาจับแปะก็ได้ทั้งสามจุดทั้งหมดได้ได้ก็ได้เล็กก็ได้ แต่บุคคลก็จะมองเห็นถึงสภาพอย่างเดียวกันว่าเป็นสังขารธรรมที่ตกขึ้นอยู่กับเพศกับปัจจัยเมื่อมองเมื่อเข้าใจได้เช่นนี้ในสูจะมองในแนสรุปหมดเลยจะเรียกว่ายังไงไม่สาคัญจะเรียกว่าสัมผัสจะเรียกว่าเวทนาเรียกว่าตัณหาเรียกว่าการเรียกว่าเวทนาเรียกว่าอุปาทานเรียกว่าอย่างอื่นก็ได้แต่สรุปแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นคือสังขารสังขาร ตกอยู่ในสภาพที่เหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าสังขารที่ประณีตวิเศษอย่างไรมีคุณค่าอย่างไรหรือว่าเพชรไก่หินเพชร ก, ก้อนดินก็ตกอยู่ในสาพอย่างเดียวกันต่างๆที่เพชรเป็นของมีค่ามากก้อนดินเป็นของมีค่าน้อยในสัดส่วนที่เท่ากันแต่โดยสภาพจริงๆแล้วตกอยู่ในสามัญลักษณะในลักษณะที่เสมอกัน ก็จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการเลื่อนไหลกันไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดซึ่งเมื่อความรู้ความเห็นเกิดขึ้นได้เช่นนี้ซึ่งเหตุปัจจัยให้เกิดความรู้ความเห็นนั้นก็คือสติกับปัญป ญ, ญาระดับสัมปชัญญะทางกายแล้วก็จะสามารถปล่อยวางความยึดจิตในสังขารธรรมทั้งหลายลงไปได้ อย่างน้อยที่สุดก็ปล่อยวางในส่วนที่มีปัญหาออกไปได้เพราะอะไรพระปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นจะเข้าใจสังขารตามความเป็นจริงโดยในญาติที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมนายในทุกขเขามานายในทุกนั้นหมายความว่านายในสิ่งที่เรากำลังไปเชิญอยู่ หมายในตัวชีวิตไหนในตัวชีวิตตัวความเกิดตัวความแก่ตัวความตายความสุขความพิริพิไรลำพันความทุกข์ความเสียใจความกับแค้นใจหรือสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นกลุ่มทุกข์ทั้งหมดเลยเพราะอะไรสังขารธรรมเหล่านั้นก็เกิดขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเมื่อเรามองเห็นแก่ว่าตกอยู่ในสภาพของความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่รู้จะยึดจะถืออะไรแต่ความรู้ที่จะเกิดถึงจุดสร้างความเบื่อหน่ายได้นั้น จะต้องมองเห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับไฟไหม้บ้านสุดวิสัยที่จะเข้าไปแก้ไขได้บ้านนั้นก็กําลังจะพังไม่พังแหละจะลองสังเกตได้ว่าเวลาประสบกับความสูญเสียเวลาไฟไหม้บ้านใหม่ๆนั้นใจยังยึดถือว่าเป็นของเราอยู่จะต้องพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อหยิบฉ่วยสิ่งของมาพยายามจะดับไฟให้ได้แต่พอใจโปรงตกว่าสุดวิสัย ใจะจะเริ่มปล่อยวางถ้าปล่อยวางไม่ได้ก็ อ, อาจจะช็อกจะมีปัญหานิดหน่อยหรืออาจจะปัญหามากก็ได้แต่ถ้าใจที่มีปัญญาก็ปรงป่งตุกพระใดพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วเป็นการขาดทุนกําไรแต่นั้นเองเพราะตอนเราเกิดมาเราไม่มีแม้แต่อะไรเลยแม้แต่เสื้อผ้าตอนนี้มีบ้านมีอะไรอะไรอีกมากมายไฟไหม้ไ ป, ไปบ้างสูญหายไปบ้านก็เป็นขาดการขาดทุนกําไรแต่นั้นเองอยังมีโอกาสที่จะ สร้างขึ้นมาใหม่ได้แต่ในชั้นของวิปัสสนาปัญญาแล้วก็จะหน่ายในทุกแล้วจะปล่อยวางความไม่ไม่ยึดไม่ถือในสังการธรรมตั้งหลายซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าเอสมัครโววิสุทธิญานี้คือทางแห่งความหมดจดอย่างนี้ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป